<Book> <18. S 3> บุกทูสิบแปดสกุยสกุยการทำความสะอาดบ้านวันนี้เป็นวันเสาร์ เะชมบตวันนี้เรามีเวลาเงีเะวัตจิเบะวัติวันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เะตฟเตรตกบซเะฟตรตกบ ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเซกบสกปรซ ส, ส, ส, สกสบกซบสสามีของดิฉันกำลังล้างรถซิชฮารุสมาชินอร์ย็ดฮซิฮามาชินรยจฮรยจ เด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดรถจาักรายานจลมกุสฮาฟาฮอลกาบซจาลมมุสฮฟาชฮ์ร์อักับซิคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้นานะการาห์านานาาม์กัส์อัจจาห์ห เ, เด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดห้องเด็กสามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา ซิ S <S ุสซ์ซูชิดฮะรตอล์วซาอห์ฮ์ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้ามาชนัมหน ดิฉันกำลังตากผ้าเซุ่จรปเซุจรปดิฉันกำลังรีดผ้าเซหุจมะุอเเซหุจมะุอเหน้าต่างสกปรก สหันกบชัขเอยพื้นห้องสกกระรกเจขยจขานเอยจานชามสกกะปรกชกขึ้นเอียหขอ ใครเช็ดหน้าต่างเขตสหนกเชื้อขึ้นจัดจักรเขตสห у กเชื้อขึ้นจัดใครดูดฝุ่นเขตซอเจื้เจใครล้างจานเตกขึ ข้อต่อชุกชื้นจะหัร